ได้ทำอุปรากิจจิตเบื่องตนคือการไหว้พระโสดมนจเจริญพรมมวิหารและอื่นอื่นเสร็จลงไปแล้วการไหว้พระโสดมนเป็นการแล้วลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ การเจริญพรหมวิหารเป็นการประกาศความเป็นมิมตรไมตรีต่อกันและกันตลอดทั้งสัตว์ในโลกอื่นมีผู้ผีปีศาจเป็นต้นอันนี้เป็นกิจวัตรที่มีความจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้น การละเลิกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นการไหว้ครูและเลอกถึงคุณของพระธรรมก็คือการไหว้คำสัง่งสอนและเลอกถึงคุณของพระสงฆ์ก็คือไหว้บุคคลตัวอย่างบุคคลตัวอย่างหมายถึงผู้นําทางในการปฏิบัติ สืบทอดมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราชอบใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์สอนให้เราเว้นจากบาปความชั่วให้สร้างความดีให้ทำใจให้ผ่องใส แทนการแห่งการละบากความชั่วศีลที่เราสมาฐานมาแล้วทำสอนที่ว่าสัพปาปัสสะอกรถนังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการตั้งเจตนางดเป้นตามกฎของศีลห้าข้อการยังกุศลให้ถึงพร้อม ก็คือมาปฏิบัติสมาธิภาวนาสร้างจิตให้มีพลังงานเพื่อจะน้อมนำไปใช้ในธุรกิจอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันและพิจารณาธรรมะอันละเอียดให้มีความรู้แจ้งแจงตลอดตามความเป็นจริงการทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดหรือผ่องใส หมายถึงทำใจให้มุ่งตรงต่อความดีเพว่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะรับสินจ้างรางวัลเพียงเพื่อปฏิบัติเพื่อชำระ จ, จิตของเราให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พราะศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีในการและกันเป็นเบื้องตน้นพอขึ้นต้นพระองค์จะสั่งว่าจะฆ่ากันจะเปียดเปียดกันอยจะปมเหงิกันอย่ารังแกกันอย่าอิดชาตาร้อนกันยังแถมให้นึกเสมอว่าขอสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจจะได้เปลียนเปลี่ยนซึ่งกันและกันจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดเมื่อเรางดเว้นจากกฎของศีลห้าจเจริญเมตตาพรหมวิหารเป็นจิตวัตรประจําวันเราก็ได้เชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกสํานึกฐิดชอบชั่วดี ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในจิตของเรานั้นเองเป็นจุดเริ่มแห่งความเป็นผู้มีพุท ธ, ธะในจิตเรามาทำสมาธิภาวนาเพื่อจะสร้างจิตพุท ธ, ธะของเราให้มีความเจริญเติบโตและเบ่งบานเต็มที่จนกลายเป็นผู้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เมื่อจิตของเราเป็นพุท ธ, ธะโดยธรรมชาติคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็มีคุณธรรมที่ทาคนให้เป็นพุท ธ, ธะอยู่ในจิตของเราในการทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นตลอดกาลก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมลักษณะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะต้องมีสติ มีสติตั้งใจระวังว่าเราจะละความทั่วประพฤติความดีก็เป็นกิริยาของความเป็นพระสงค์มีอยู่ในจิตของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าโดยความเป็นจริงแล้วคือคุณน่รทำคุณน่รทำที่เรากำลังมานั่งค้นคว้าหากันอยู่เวลานี้ ดังนั้นขอทุกท่านจงมีสติกำหนดรู้จิตของตนความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็มีอยู่ที่นั่นกำหนดอารมณ์กรรมาฐานตามที่ตนถนัดแล้วก็ปฏิบัติต่อเรื่องกันเมื่อเรามานั่งอยู่อย่างนี้เรามีสติตั้งใจอยู่เราก็รู้ว่าเรามีกาย ในเมื่อจิตของเราไปรู้อยู่ที่กายก็มีกายเป็นอารมณ์จิตโดยหลักแนละวิธีการ ต, าตราัณจำลาเขาเรียกว่ากาจานุปัสนาสติปัฏฐานเมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตก็เป็นจิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน เมื่อเรามีสติกำหนดรู้อารมณ์คือความคิดที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานการปฏิบัติของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกำหนดรู้อารมณ์จิตมีสุขหรือมีทุกข์แม้จนกระทั่งว่าเรามีปีติมีความสุขเกิดขึ้นในจิต จิตเรามีสติรู้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในปัจจุบันก็ได้ชื่อว่าเวทนานุปัตสนาสติปัฏฐานดังนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เพียงแค่เรามีสติกำหนดรูษษษ้จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราเอาจิตตานุปัตสนาสติปัฏฐานเป็นที่ตั้ง เราก็รู้สติปัฏฐานครบถ้วนทั้งสี่อย่างในขณะจิตเดียวคือกายเวทนาจิตธรรมดังนั้นนะโอกาสต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสติกำหนดรู้จิตมีสติกำหนดรู้ที่จิตถ้าจิตของท่านอยู่นิ่งๆก็ปล่อยให้นิ่งไป ถ้าจิตวิ่งไปกำหนดลูลมหายใจก็ปล่อยให้รู้ถ้าจิตว่างปล่อยให้ว่างถ้าจิตคิดก็ปล่อยให้คิดให้มีสติกำนดตามรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นหรืออะไรก็ตามแต่ท่านถนัดในขณะที่จิตบริกรรมภาวนาอยู่นั้น แม้เขาจะบริกรรมภาวนาไปถึงไหนจนรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะบริกรรมภาวนาแต่จิตของเราบริกรรมภาวนาเองก็ปล่อยให้เป็นไปแต่ถ้าเราได้ช่วงใดจิตของเราทิ้งบริกรรมภาวนาเดิมได้เกิดความคิดขึ้นมาให้มีสติกำหนดรูปความคิด ธรรมชาติของจิตถ้ายังไม่มีพลังงานเพียงพอพอคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้จิตจะหยุดคิดทันทีกลายเป็นความว่างให้พยายามกำหนดรู้ความว่างเพื่อให้รู้อยู่ในทีถ้าเจ็ว่างนานๆแล้วก็เกิดความคิดก็กาหนดรู้ความคิดถ้าวิ่งมาหาลมหายใจก็กาหนดรู้ลมหายใจ อาจิตเทศก็กำหนดรูปความคิดซึ่งมัธยินี้อาจจะขัดจากหลักการที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเมื่อจิตบริกรรมภาวนาหรือทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นให้ดึงมาหาอารมณ์เดิมเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าเพลิดเอจิงพุทโธ พอรู้สึกตัวก็ให้ย้อนมาบริกรรมภาวนาพระพุทโธใหม่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาอย่างนี้แต่ตามสูตรนี้ถ้าหากว่าจิตบริกรรมภาวนาพุโทโธอยู่ปล่อยให้บริกรรมภาวนาไปจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตของเราบริกรรมภาวนาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือในบางครั้งบางทีจิตของเราคิดอย่างอื่นขึ้นมาบริกรรมภาวนาพุโทโธอย่างปรากฏอยู่ในส่วนลึกของจิตไม่ว่าเราจะทําอะไรยืนเดินนั่งนอนรับทานทดื่มทําผูกคิดจิตของเราบริกรรมภาวนาพุโทโธเองก็ปล่อยให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นถ้าว่าจิตเสียงบริกรรมภาวนาพุโทโธไปเกิดความคิด มีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าความคิดไม่หยุดยัง้งปล่อยให้คิดไปนั่นแสดงว่าจิตของเรามีพลังงานในเมื่อปล่อยให้คิดไปเรามีสติกำหนดตามรู้หนักหนักเข้าเราจะรู้สึก ว, ว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งเืิดจิตรู้อยู่ที่ความคิดเพียงอย่างเดียว เมื่อคิดไปสุดท่วงแล้วจิตจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิหรือไม่หยุดก็ไม่ต้องไปกังวลบางทีจิตของเราคิดอยู่คิดอยู่ไม่หยุดจั้งสติก็ตามรู้เองโดยอัตโนมัติรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขเหมือนตัวจะลอยขึ้นบนอากาศ ความคิดก็ยิ่งเร็วขึ้ น, เ ร, นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนขนาดที่ว่าเรากำหนดตามรู้ไม่ทันแต่ในช่วงนี้ความตั้งใจที่จะกำหนดรู้ความคิดนั้นไม่มีแต่ว่าจิตจะรู้ตัวอยู่ว่ามีความคิดตลอดไปในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกำลังเริ่มจะเดินจะเดินวิปัสสนากรรมฐ า, าน แต่ยังเป็นภาพปฏิบัติแต่ถ้าว่าจิตจุดนิ่งลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นอุปจาระสมาธิหรือบางทีอาจจะสงบละเอียดเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเมื่อจิตไปยับยั้งอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วก็ย้อนออกมาพอมารู้สึกว่ามีกาย บางทีจิตว่างอาจจะพุ่งกระแส อ, ออกไปข้างนอกแล้วเกิดภาพในมิตต่างๆบางทีพอรู้สึกตัวรู้จิตวิ่งตามลมหายใจเข้ามาก็าจะมาสว่างอยู่ในทํากลางของร่างกายรู้เห็นอวัยวะต่างๆถ้าไม่เป็นเช่นนั้นจิตกาหนดรู้อยู่ที่จิตก็จะรู้ความคิดที่เกิดจากตลอดเวลาเมื่อจิดถอนจากสมาธิมาแล้วมาเกิดความรู้ว่า ความคิดเป็นความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้มีพลังงานความคิดเป็นสิ่งหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความคิดนี่แหละมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์ เมื่อสุกทุกข์แปลกดเฉินชัดขึ้นจิตจิตจิตที่มีพลังงานมีสติสัมปชัญญะจะละลายเป็นปัญญาแล้วสามารถที่จะกําหนดรู้สุกทุกข์ที่เกิดจากอยู่ภายในจิตว่านี่คือทุกขอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะมี ส, ม, ญญา ม, ส ม, มาธิมั่นคง จิตดำรงอยู่ในสมาธิอยู่ในฐานที่มีวิตกวิการคือนึกถึงความสุขและความทุกข์แล้วก็จะเกิดสติปัญญาแก่ข้าขึ้นสามารถกำหนดรู้จิตว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปแล้วจิตก็จะกำหนดรู้อารมณ์จิตที่เกิดดับเกิดดับ ก็เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกับท่านอัญญากณทัญญะฟังธรรมจากกัปปวัตตนสูตรจกลงแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิง่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ก็ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลในขั้นโสดาปฏิมรรคปฏิผลความรู้ธรรมะอันละเอียดหรือสูงสุดนั้นซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นภาสาจะเกิดขึ้นในขณะที่กายกระติดจังมีความสัมพันธ์กันอยู่ เมื่อหากว่ากายกับจิตยแยกออกจากกันกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งจิตสามารถที่จะรู้เห็นอะไรต่างๆได้แต่ไม่สามารถที่จะพูดเป็นภาษาออกมาสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมด เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วจึงจะมาอธิบายสิ่งที่รู้เห็นนั้นเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสนาการเจริญวิปัสนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงในสภาวะธรรมตาม ท, ที่รู้เห็นทีนี้ถ้าหากว่านักปฏิบัติมีสติกำหนดรู้จิตรู้ความเกิดและความดับของสภาวะที่เกิดดับอยู่กับจิต เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วจิตยังไม่ตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรก็รยังเป็นภูมิรู้ขั้นสมถกรรมฐ า, านแต่าหากจิตทีาออกจากสมาธิมาอยู่ในระดับสมาธิอ่อนๆแล้วก็มารู้ขึ้นมาว่าอ้อสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาเป็นอย่างนี้เองจุดนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐ า, าน เพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเดินไปตามคันรองของสมาธิสามขั้นตอนจะเป็นไปตามแนวทางแห่งสมาบัติก็ตามหรือแนวทางแห่งวิปัสสนาก็ตามหากจิตออกจากสมาธิมาแล้วไม่มีการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แน่ชัดลงไปแสดงว่าจิตยังไม่มีปูมความรู้ยังไม่ถึงขั้นแห่งวิปัสสนา การพิจารณาสิ่งใดโดยความตั้งใจเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างของวิปัสสนากรรมฐานแต่ในขณะที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นยังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นแต่ภาพปฏิบัติเท่านั้นเมื่อพิจารณาไปจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีความรู้ตื่นเบิกบานมีสติสัมปชัญญะมั่นคง จิตสามารถปฏิบัติตนไปสูกูมจิตภูมิธรรมจะรู้อะไรเห็นอะไรก็รผดขึ้นมาเป็นอย่างๆหรือต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสายอันนั้นเรียกว่าจิตกําลังเริ่มเดินวิปัสสนาซึ่งจิตจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความเข้าใจของนักปฏิบัติสมาธิบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตาม ในขณะที่ปฏิบัติเขาบังคับในโคมจิตของเขาให้น้อมไปสู่ความสงบเพราะอาศัยการน้อมการฝึกฝึกบ่อยๆจนกล้องตัวชำนิชำนอนเราสามารถที่จะสะกดจิตของตัวเองให้หยุดนิ่งเมื่อไรก็ได้แต่ว่าความหยุดนิ่งอันนี้เป็นแต่เพียงความสงบยังไม่ใช่สมาธิ สมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตสงบแล้วปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสภาวะไปสู่สภาพอีกอย่างหนึ่งเผอมีลักษณะแจม่มแจ่มรู้ตื่นเบิกบานมีความสว่างไสวจิตที่มีจิตสมาธิที่มีพลังงานย่อมมีความสว่างเป็นเครื่องหมายอันนี้เรียกว่าจุดเริ่มแห่งสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิ ิีนี้พอหลังจากกั้นแล้วเราจะไม่มีทางที่จะได้ตั้งใจหรือน้อมจิตไปทางใดจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติถ้าสมมติว่าจิตได้บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีจิสุกเอกัสตาถ้าหากว่าจิตละวิตกวิจารก็ก้าว ข, ขึ้นสู่ภูมแห่งทูติยะฌานถ้าละปีต ก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งกาติยะฌานถ้าลสุกก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งจตุตถาฌานซึ่งจะมีวิตกวิจาร์อซึ่งจะมีเอกขตาและอุเบกขาเป็นองค์ประกอบจิตที่อยู่ในจตุตถาฌานนั้นเป็นอย่างไรจิตอยู่ในจตุตถาฌาน เป็นจิตที่สง บ, บนิ่งรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นนิ่งสว่างสวัยอยู่ใน่้ำกลางแห่งความว่างในช่วงนี้จิตยังยึดเอาความสว่างของของจิตนั่นแหละเป็นอารมณ์ความสว่างยังเป็นโรคก็ะฉะนั้นฌานที่สี่ท่านจึงเรียกว่าจะตุจชาน ก็หลังจากนั้นจิตจะน้อมจิตจะไปน้อมไปสู่ฌานขั้นไหนสมาธิขั้นใดจิตจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความเป็นเองของจิตสมาธิในขั้นอัตโนมัติจะเริ่มต้นแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปจิตจะมีญาณบรรลุรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งใดจิตก็จะไปรู้เองเห็นเอง จะเข้าสู่สมาธิชานขั้นใดจิตก็จะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติซึ่งพวกปฏิบัติไม่ได้มีสัญญาเจ ต, ตนาที่จะน้อมจิตไปที่ไหนเพราะในตอนนี้จิตหมดความรู้สึกว่ามีกายกายไม่มีจิตมาน้อมไม่เป็นคิดไม่เป็นแต่สามารถรัรู้เห็นสิ่งต่างๆได้ การพิจารณากรรมฐานแม้แต่พิจารณาอสุภกรรมฐานก็ตามเราพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของปฏิกรูน่าเกลียดโสโครเราก็พูดได้เฉพาะเวลาจิตยังไม่มีสมาธิอย่างแท้จริงเมื่อหากว่าจิตสงบเป็นสมาธิแล้วแม้ว่าจะมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก อยู่ในลักษณะที่ชวนให้เกิดปฏิกูลน่าเกลียดโตโคร่เกเจตโพรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่มีความรู้สึกรังเกียจหรือเกลียดหรือเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเจตจะอยู่ในสภาพปกติไม่สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรได้แต่รู้เฉยอยู่เท่านั้น แม้ว่าผู้พิจารณาพระไตรลักษณ์ูบนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตก็ตามเราจะนลกคิดได้เฉพาะเมื่อจิตจังไม่มีสมาธิแต่เมื่อจิตมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วความรู้เรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาโดยเป็นภาษาไม่มีจะมีสภาวะที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับปรากฏการอยู่ภายในจิต แม้การพิจารณาสิ่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันเช่นพิจารณาธาตุกรรมฐานเรามาแยกธาตุของเราออกว่าร่างกายนี้มีธาตุสีดินน้ำลมไฟส่วนที่มีลักษณะแข่นและแข็งเช่นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ม, ม้ามหัวใจตบปอดผังผืดใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า ตึงเป็นสิ่งที่มีมลักษณะแข่นและแข็งจับท้องได้ด้วยมือมองเห็นได้ด้วยตาถ้าหากว่าเกิดนิ่มิตรู้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้สลายตัวไปเป็นธาตุดินไปคลองกันอยู่จิตผู้รู้จะมีแต่รู้อยู่เฉยๆแล้วจะไม่มีการพูดจาว่านี่คือธาตุดินเมื่อเราพิจารณาธาตุน้ํา น้ำดีน้ำเฉลจน้ำตาเปลวมันเป็นต้นในเมื่อจีตเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธาตุน้มจริงๆก็ได้แต่รู้อยู่เฉยๆคำว่าธาตุน้มก็ไม่มีทีนี้ถ้าหากว่ากำหนดรู้พิจารณาเรื่องธาตุไปไปที่เผากายเผาอาหารให้ย่อยับไปที่ ยังกายให้ร้อนกระวนกระวายหรือไปที่ทำกายให้สุดลมหรือเจริญเติบโตขึ้นแม่วรู้เห็นธาตุไฟโดยเด่นชัดมองเห็นเป็นเปลว ไ, ไฟลุกอยู่ก็าตามจิตก็ได้แต่รู้อยู่เฉยๆไม่ได้บอกว่านี่คือธาตุไฟแม้ธาตุลมก็เช่นเดียวกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตำ่ำแม่จิตจะเห็นลมมองเห็นลมชัดเจนก็ะจะไม่นึกว่านี่คือลมเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงย่อมไม่มีภาษาสมมติปัญญาดังที่กล่าวานั้นเราระ บ, บุชื่อเลยเรียกชื่อว่าดินน้ำลมไฟได้เฉพาะในขั้นที่เราตั้งใจนึกคิดพิจารณาอยู่เท่านั้น ในเมื่อพิจารณาแล้วเพราะอาศัยการพิจารณาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาการพิจารณาเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อจิตสติมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิมองเห็นสิ่งต่างๆที่พิจารณาเป็นนิมิตรปรากฏขึ้นกับจิตอาจจะมองเห็นดินน้ำลมไฟในขนาดเดียวในขณะจิตเดียว แต่เจตก็จะรู้เห็นอยู่เฉยๆคำว่าดินน้ำดมไฟจะไม่มี